ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหากซึ้งกรรมซึ้งเวรโดยสมณาัาพา์ซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้ณนะพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบะบัดนี้ค่ะ เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวิบากกรรมเราไม่รู้จริงๆนะว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะได้เกิดเป็นอะไรแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็นยืนยันว่าได้เกิดเป็นสัตว์เนี่ยซะมากเกิดเป็นคนเนี่ยน้อยพุทธเจ้ายืนยันนะ เพราะว่าอะไรเพราะเราดูตามความเป็นจริงในโลกนี้ก็ได้สัตว์มากกว่าค น, นใช่ไหมสัตว์เนี่ยมีจํานวนชนิดต่างๆเนี่ยนะมากกว่าคนต้องเยอะเนี่หมายถึงว่าเราถือว่าคนเนี่ยนะจะเชื้อชาติไหนก็ตามใช่ไหมแต่คนเนี่ยเราถือว่าชนิดหนึ่งลนะคนเนี่ยส่วนสัตว์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแมว เอาเราก็ต้องถือแมวก็มีอีกตั้งหลายหลายประเภทใช่ไหมแมวอ่ะโอ้โหแมวประเทศนั้นแมวประเทศนี้เห็นไหมมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันแต่แมวเนี่ยเราถือว่าหนึ่งชนิดอ่ะเอาหมาอีกอ่ะหมามันก็มีทุกประเทศแหละส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ขนาดขั้วโลกยังมีหมาเลยอ่าเราก็นับอีกหนึ่งชนิดแต่เนี่ยในสัตว์โลกทั้งหมดะ คนชนิดหนึ่งเนี่ยคนเป็นเพียงชนิดหนึ่งในสัตว์โลกอีกกี่พันชนิดอ่ะโอ้โหไม่รู้นะถึงบานหรือเปล่าแต่อย่า ง, งน้อยก็ต้องเป็นร้อยๆชนิดอ่ะอย่างน้อยนะเยอะมากนะและตอนนี้เอาว่าในแต่ละสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยเอาถือคนเราเป็นสัตว์โลกด้วยนะในแต่ละสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยดูเอาสิ ว่าเอาอะไรอะ่ะแมลงนี่ก็รู้สึกอะถือว่าเป็นสัตว์โลกหมายถึงว่าชนิดของมแมลงเนี่ยนะรู้สึกเยอะที่สุดในโลกคือมีประเภทเนี่ยแม ะ, มะแมลงประเภทต่างๆมีเยอะที่สุดในโลกชนิดชนิดแค่มแมลงเนี่ยมันก็มากกว่าคนไม่รู้กี่เท่าอ่ะใช่ไหมแค่แมลงเนี่ยมันมากกว่าคนไปกี่เท่าแล้วโอ้โหเอาแล้วยังอื่นอีกอะ เอารองลงมาจะเป็นอะไรอะ่ะคิดว่าอะไร น, ะน่าจะน้อยลงมาจากเอามดมดนี่น่าจะถืออยู่ในพวกมแมลงนะอา่าแล้วอะไรอีกน ก, นกเหรอเออเออนกน่าจะรองลงมาเนาะมันจะมีนกแล้วก็เดี๋ยวมีปลาใช่ไหมพวกสัตว์น้ํามันจะมีแบบพวกสัตว์ปีกเพวกนกเนี่ยนกก็ชนิดเยอะกว่า กว่ากว่าคนละไม่รู้เป็นกี่เท่าล้วแค่นกนะดีขนาดตอนนี้เอไขหวัดนกระบาดเนี่ยโอ้โหโดนฆ่าไม่รู้ไปกี่ล้านล้าลล้า น, า น, า น, านตัวแล้วนะนกอนะ่ะนกรวมไก่นี่อยู่ในพวกนกด้วยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหโดนฆ่ามหาศาลเลยก็ไม่รู้นะว่าธรรมชาติอะไรที่ ระบาดหมายถึงโรคเนี่ยที่ทำให้เหล่านกทั้งหลายจะต้องตายเป็นจำนวนมากมหาศาลวันเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมานี่โอ้โหนกตายกันชนิดที่เรียกว่าอะไระเยอะจนไม่รู้จะจะยังไงเลยแล้วสัตว์ทุกชนิดเนี่ยที่ตายไปอะวิญญาณมันสลายเลยป่ะในในในความรู้ในความเข้าใจของพวกเราเอง นะสัตว์ต่างๆนี่มีวิญญาณไหมมีวิญญาณนะั่อย่าไปเข้าใจว่ามันไม่มีวิญญาณเอาอะไรที่มาบอกว่ามีวิญญาณเอาอะไรที่มาถือว่าเอออย่างนี้มีวิญญาณอย่างงี้ไม่มีวิญญาณเอาอะไรมามาแยกอ่ามันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญอย่าเอาแค่เคลื่อนไหวนะอ่าถ้าเอาแค่เคลื่อนไหวได้อะ ออต้นไม้บางทีมันก็เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมต้นไม้บางชนิดก็ยังอะไรไปโดนมาพระผุบเลยอย่างเงี้ยออหรือว่าบางทีมันก็ยังเลือ是是้อยได้ใช่ไหมค่อยๆเจริญเติบโตมันก็เลือ้อยได้มันอะไดะ้เพราะนั้นเอาแค่เคลื่อนไหวไม่พอสัตว์ก็เคลื่อนไหวได้พืชก็เคลื่อนไหวได้แต่แตอนนี้พืชเนี่ยเราถือว่ามีวิญ ญ, ญาณห ม, มีจิตวิญ ญ, ญาณไหมไม่มีเพราะเราถือว่า มันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแต่บางคนก็บอกว่าเอา้าทำไมมันจะไม่รู้สึกเคยมีบอกเนี่ยเนี่ยบางทีเราเอามมีไปฟันมันับเสร็จแล้วมันก็ยางมันไหลอ่ะบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเลือดมันหรือไม่ก็น้ำตามันอะไรเงี้ยแหม่ก็ว่าไปโน่นเนี่ยอืมอะไรนะ พวกกรีดยางเหรอไม่หรอกถึงบอกว่าพืชเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ไม่ถือว่ามีจิตวิญญาณครองอยู่ไม่มีเพราะนั้นฆ่าพืช <c oughs> ขอใช้คำนี่นะฆ่าพืชซึ่งมีชีวิตไงพืชก็มีชีวิตฆ่าพืชเนี่ยจึงไม่ถือว่าบาป เพราะมันไม่ได้มีจิตวิญญาณมันไม่มันไม่ได้มีอารมณ์อย่างกับสัตว์โลกอื่นๆซึ่งมีอารมณ์โกรธได้เกลียดได้ชังได้รักได้แค้นได้อาคาตพยาบาทจองเวรก็ได้เนี่ยพืชไม่ได้มีจิตวิญญาณอย่างนั้นมีผู้ถามว่าแล้วทําไมห้ามสมณะไปตัดต้นไม้บ้าง หรือภาษาในพระตัตยปิฎกเขาใช้คําว่าภาคพืชนะพืชจะคามภูตะคามอะไรต่างนี่ไปภาคพวกพืชตัดกิ่งไม้ไปถอนต้นไม้อะไรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ได้นี่เพราะตรงการไปทําอย่างนั้นน่ยมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ต่างจากคารวาสจะไม่ต่างจากคฤรืหัด เพอเดี๋ยวขุดดินฟันยญ้าได้เมื่อไหร่ก็เอาเราสิข้อนี้เดี๋ยวปลูกพืชปลูกผักเดี๋ยวก็ทามาหากินเองเรียบร้อยอีกหน่อยก็ไม่ง้ อ, อใครแล้วไม่ต้องไปบินธบาตไม่ต้องอะไรล้ตอนกิ่งเองได้ <c oughs> <c oughs> นะตัดกิ่งได้อะไรได้ก็จัดการเองหมดเลยเอ่อจะผ้าบ้านนอกผ้าในกรุงอ่ะถ้าอยู่ในาศาสนาพุทธมันมีวินัยอยู่แล้ว มันมีวินัยครอบเอาไว้อยู่แล้วบัญญัติของผู้เจ้าห้ามเอาไว้ว่าห้ามไปพรากเาไม่ได้เปล่าแต่ถ้าต้นไม้มันตายแล้วต้นไม้ตายแล้ ว, น, ลวนี่ได้นะอ่าคราวนี้ก็ต่างกันอีกแต่ถ้าต้นไม้ตายแล้วเออได้ฟันได้ว่ามันก็เกี่ยวกับชีวิตอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของบาปว่ามันมีจิตวิญญาณไหมอะไรงนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นนะแต่ตายแล้วนี่ทำได้แต่ถึงจะตายแล้วคราวนี้แต่ว่าเราจะไปเอามาอะไรอะ่ะมันมาปลูกไม่ได้แล้วอะ่ะแต่เราก็ไปฟันมาไปอะไรมาแล้วก็ามาสร้างบ้านเองมาอะไรเองโดยที่ถ้ามันมีเจ้าขอมีอะไรก็ไม่ได้ ไม่ได้อีกอันนั้นจะมีลูกโซ่ต่อไปว่าถ้ามันมีสมบัติเป็นเจ้าของอมีเจ้าของเป็นสมบัติของใครเขาอะไรเขาเอางูไม่ได้ไม่ใช่นึกจะเอานี่มันมันตายแล้วเดี๋ยวเอามาทําเป็นเขียงหน่อยเอามาทําเป็นอ่เสาบ้านหน่อยอะไรหน่อ ย, อยเงี้ยอยู่ดีๆจะไปทําเอาเองอะไรเลยไม่ได้ดังนั้นข้อแม้มันก็จะมีอีกหลายๆข้อแม้ อะไรนะอ๋อคือพืชที่มันยังไม่ตายเนี่ยมันเจริญเติบโตได้อะไรได้พวกเนี้ยนี่ไงอนุมานต้องบอกประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่มันมีจิตวิญญาณไม่ไม่ใช่แต่มันอยู่ตรงมันโตได้เพราะฉะั้นถ้ามันเจริญเติบโตมันโตได้เนี่ยเราไปทำให้มันขาดซะไปทำให้มันเสียซะทั้งๆั้งที่ที่จริงๆแล้วเราไม่ควรไปทามันไง มันก็จะได้เจริญเติบโตเพื่อที่จะได้เป็นพืชผักเป็นอาหารเป็นเอามาทำเป็นที่อยู่อาศัยหรือเอามาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรได้อย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยไปทำให้มันเสียหายซะบางทีแทนที่มันจ ะ, จะเจริญเติบโตหรือว่าเป็นต้นไม้เขียวๆอ่าอะไรนะช่วยสร้างอากาศช่วยดูดอากาศพิษหรืออะไรเงี้ยแต่เราไปทำมันเสียหายซะทำไมอืม โทษอะไรหนักโทษ ไ, ไม่ไม่ไม่ถึงกันหนักหรอก<า>โทษไม่หนักโทษเบาโทษ เ, เบาเองเป็นโทษขั้นเบาไม่โทษขั้นหนักโอ้อันนั้นมันอันนั้นคงไม่ใช่ละเมิงแมมถ้าแค่นี้นี่โอ้โหเล่นหมด โอกาสเกิดเป็นคนเลยก็เกินไปพอบอกแล้วภาคสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชเป็นอะไรพวกนี้นะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปบาปอะไรถึงขนาดอย่างนั้นหรอกถ้าบาปนี่บาปเพราะอย่างอื่นแต่ไม่ใช่บาปเพราะการไปไปทาให้มันตายไม่ใช่แต่เพราะมีผลเสียหายอย่างอื่นต่างหากละ่ะถึงอาจจะมีมีโทษมีภัยในในเรื่องอื่นๆ อย่างผู้ที่เก่งๆเนี่ยพูะเจ้าก็มีแบบว่าทำไมอะเวลากินพืชผักเนี่ยบางทีทำไมต้องให้เอาเมล็ดออกห้ามางเคี่ยวมเมล็ดให้มันแตกหมายถึงว่าเราเอาเข้าปากกลวง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเคี่ยวมันแตกมันก็เอาไปปลูกหรือบางทีเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วอยาเงี้ยอา้าวก็มีวินัยห้ามอา้าวอย่าไปกินพืชผักอะไรแต่มันเป็นวินัยขั้นละเอียดขึ้นแล้วนะขั้นสูงขึ้น ว่านเนี่ยพวกอาตมาเนี่ยเวลากินอย่างเช่นอสมมุติเกิดเกิดคุณเอาแตงโมมาถวายให้ฉันอย่างเงี้ยแม้ว่าคุณจะหั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ตามใช่ไหมแต่บางทีมันก็มีเม็ดอยู่เงี้ยเวลาจะเคี้ยวแตงโมก็พยายามอย่าให้เม็ดมันแตกก็ต้องเอาเม็ดเนี่ยมาเพราะว่ามันเอาไปเพาะปลูกได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรอื่นได้เอาไอที่มันจนแต้มแล้วคุณจะไปแมอย่างนั้นอยากกินเลย มันยุ่งยากนันกอยากกินเลยเออไอ้บางอย่างมันแยกไม่ได้มันแยกไม่ออกไปทํำยังไงอ่ะอ่มันถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันไปปลูกเอาไปอะไรทําต่ออะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพวกที่เขาเคร่งเนี่ยเขาถึงแบบเนี่ยต้องให้ปนเอ า, มาเมล็ดออกนะหรือต้องปอกมานาะหรือผ่าทําอะไรมาเรียบร้อยนะโดยที่เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะปลูกเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ต่ออีก บางทีพวกอย่างเงี้ย mm. ก็อาจจะมีห้ามไม่ใช่แหมเขียวๆแล้วกัดมันแตกหรือว่าอะไรไปหมดถ้าขืนกินอย่างนี้อีกหน่อยครับไม่ต้องมาปลูกกั น, นทีใช่ไหมมันก็หมดหมดไอ้อะไรอ่ะการเพาะปลูกหรือหมดพืชพันธุ์อะไรไปเรื่อยๆเออว่า อ, นนอันนี้เป็นความละเอียดของวินัยของศาสนาซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ มันมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรไม่ใช่และแต่เกี่ยวอยู่ตรงว่ามันจะมีผลสืบเนื่องไปในเรื่องอื่นๆอันนี้นะส่วนอ้าวย้อนกลับมา <c oughs> ย้อนกลับมาที่ตะกี้พยายามจะพูดถึงเรื่องวิบากรรมอ่ะแล้วก็เพื่อให้พวกเราเห็นคือถ้าใครเนี่ยนะคิดเรื่องวิบากรรมดีๆเนี่ยพยายามเข้าใจให้ชัดแล้วก็คอยเตือนตัวเองบ่อยๆแค่คิดเรื่องวิบากรรม ให้มากๆไว้เนี่ยโอ้โหช่วยให้เราเนี่ยเลิกทําบาปนี่แหละเลิกทําเลวทําร้ายเนี่ยได้ตั้งเยอะเนี่ยถ้าใครคิดดีๆนะแล้วคำว่าคิดดีๆหมายถึงว่าเราพิจารณาแล้วเราเข้าใจในเรื่องของวิบากกรรมเพราะฉะนั้นคนเข้าใจแล้วเนี่ยเอาแค่ว่าโอ้โหเราคิดไม่ดีกับเขานี่มันก็มีวิบากกรรมแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปชดใช้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะแค่ความคิดเน ยกตัวอย่างไบ่อยเลยที่บอกว่าขนาดผู้เจ้าแค่คิดไม่ดีอ่ะแค่คิดไม่ดีนั่นเองไม่ดียังไงไม่ดีตรงชอบใจที่ชาวประมงเขาจับปลาไม่ได้มากเขาฆ่าปลาได้เยอะอะไรเงี้ยแค่คิดไม่ดีแค่เนี้ยเพราะความคิดอย่างนี้เราเรียกว่าความคิดแบบความคิดแบบอะไรโอ้โหยินดีที่เขาตายอย่างเงี้ย ยินดีที่เขาโดนฆ่าอย่างเงี้ยยินดีที่เขาโดนจับมาได้อย่างงี้โอ้ยินดีที่เขาโดนกว่าจะจับมาได้นี่มันทรมานทรมกรรมนะบางทีจากในน้ำโดนปลาเนี่ยโดนจับขึ้นมาบางทีก็โยนใส่เรือใส่เรือเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหไปแอร์อาจยัดเยียดเป็นปลากระป๋องหรือว่าเป็นปลาอยู่ในไอที่ที่เขาเก็บอะ่ะโอ้โหทรมานมันจะตายไป เันเนี่ยแค่เราคิดรายละเอียดอะไรพวกนี้ขึ้นมาเ้าก็โอ้โหเนี่ยดูซิแล้วเราไปยินดีอ่ะที่แม้จะปาไม่ได้เยอะนะเห็นไหมัมันมีฉาทิทิไปยินดีในสิ่งที่นี่เขาบาดเจ็บเขาโดนทำร้ายเขาถึงตายนะ่เราไปยินดีได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นใครไม่ระวังเนี่ยเอาง่ายๆบางทีดูหนังดูละครก็ตามบางทีอย่าเผลอเผลอ บางครั้งหนังเขาสร้างมาเนี่ยเราเผลอเราก็โอ้โ oh, ห oh, ฟันฉับแขนขาดฉับหัวกระเด็น <c oughs> สะใจสะใจต้องระวังเดี๋ยจิตมันสั่งสมไปแม้ว่าเราไม่ได้ไปคิดเลวร้ายกับใครนะแต่จิตเราเริ่มสั่งสมความรุนแรงสั่งสมความอะไรอะโหดร้ายอะไรพวกนี้ยเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักวันเถอสั่งสมพวกนี้มากเข้ามากเข้าเดี๋ยว เดี๋ยวก็ต้องมีผลตามม า, าต้องออกมาจนได้แต่ถ้าเราดูโดยเรามีสติใช่ไหมเราระมัดระวังอยู่ว่าโอ้โหอันนี้มันอันนี้มันรุนแรงนะดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าโอ้โหอันนี้โหดร้ายอันนี้ไม่ควรไปยินดีด้วยหรอกอันนี้ควรที่จะต้องอะไรอะตาหนิควรที่จะต้องระวังจิตเราแล้วว่าอันนี้นี่โอ้โหใช้ไม่ได้เลย อันนี้นี่มันน่าเห็นใจเขานะไม่ใช่กลับไปพอใจที่เขาโดนทําร้ายเขาโดนฆ่าจะคนดีก็ตามจะคนเลวก็ตามก็ต้องระวังจิตเราด้วยยกเว้นว่ามันสร้างดังอะมันสร้างให้ตลกตลกอะอะไรอย่างงี้บางทีมันก็คือมันสร้างไอ้เรื่องเลวร้ายนี่ให้กลายเป็นขำขำซ ะ, ะเดี๋ยวนี้มันสร้างอย่างนั้นเยอะอยู่ มันทำให้เราดูแล้วก็เลยอดขำไม่ได้ดังนั้นจริงๆอะ่ะเนื้อหามันเลวร้ายไงแต่มันก็ทำให้ตลกตลกจนเราดูแล้วอดไม่ได้ขำไปตามมันมก็ต้องระวังถ้าเราระวังจิตเราเนี่ยเราจะไม่เผลอไปตามแต่เราก็รู้นะว่าเออบางทีเออมันยี่มันเจตนาทำตลกตลกเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่านึกภาษาไทยไม่ออกนึกออกแต่ภาษาฝรั่ง แล้วเขาจะแบ่งนะับประเภทหนังเนี่ยประเภทอย่างนี้ประเภทอย่างนี้ประเภทคลาสสิกประเภทโรแมนติกประเภทเอคอมเมดี้ไอ้คอมเมดี้เนี่ยมันหมายถึงว่าประเภทเขาเรียกตลกร้ายคือ <c ười> บางทีมันสร้างแบบตลกตลกแต่จริงๆแล้วอย่างเช่นตลกตลกเนี้ยตียหัวเงี้ยไอ้เราดูก็ขำๆมําโดนตีหัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกตลกร้ายคือจริงๆแล้วไอ้เนื้อหามันเนี่ยร้ายอยู่ดีไตีหัวเขา แต่ทำให้คนดูแล้วตลกตลกเ <ะ S 2> <c oughs> นี่ยมันจะแยกประเภทแยกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ่ อ, อต้องระวังวเราเผล อ, อเผลอเผลอเมื่อไหร่อดไม่ได้มันก็ขำขํางงานบางฉีแต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วนี่ไม่ควรขำด้วยถ้าเราดูหนังเป็นเนี่ยเราก็ได้ฝึกคอยตรวจจิตเราแล้วก็คอยระวัง มีบางกันบางทีเนี่ยเขาสร้างหนังแบบบีบคั <Yeah, ้นบีบคั้นใช่ไหมโอ้โหทรมานทรกรรมเราดูแล้วเราก็แม้อึดอัดเคืองดูแล้วก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวเผลอๆก็หลุดปากเลยพวมกับมันบ้ามันด่าพวมกับไปนู่นบางทีอ่ะด่าพวมกับเสร็จแล้วก็เขียนบทเองเลยว่ามันน่าเป็อย่างนั้นมันน่าไปอย่างนี้เอาอะไรจะบางทีอ่ะ ไปกำกับเองได้ยังไงอะเรากำกับไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องดูไปตามเนื้อเรื่องของมันแต่เราหัดตรวจจิตแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างงี้ไม่ดีละเขาสร้างมาอย่างเงี้ยเขาสร้างบีบคั้นซึ่งจริงๆในโลกจริงๆบางทีมันก็มีสถานการณ์ที่บีบคั้นเราจริงๆถ้าใครดูแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าเราได้ไปเจอภาษานั่นเอง น่าได้มีประสบการณ์นั่นเองแล้วก็ฝึกว่าเออถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะปรับจิตเรายังไงโอ้โหโดนเขา ก, กดขี่ข่มเพงเือเกินสังเกตไหมบางครั้งเราดูเนี่ยไอ้หนังที่มันบีบคั้นมากๆโดนกดขี่ข่มเพงมากๆดูไปแล้วบางทีอืถ้าเป็นกูละมึงเอ้ <laughs> บางทีนะนึกอยู่ใจใจอ่ะนะไอ้หนังก็ยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่คนดูเนี่ยแต่ว่าไปแล้วมือไม้บางที อย่างเงี้ยๆจับให้ทันถ้าเราจับอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วยิ่งบอกแล้วยิ่งเข้าใจเรื่องของบิบากกรรมมันจะทำให้เราเนี่ยระวังจิตของเรามากขึ้นแม้แค่เรื่องซึ่งบางทีเราคิกว่าไม่ค่อยสาคัญก็คือเรื่องมโนกรรมเรื่องของจิตใจเราเนี่ยโอ้โหสำคัญมากเลยเพราะเป็นประตูด่านแรกเลยละ่ะเราจะได้บุญกุศลไหมก็ขึ้นที่ประตูด่านนี้ก่อนเลยเพราะฉะถ้าเราคอยมีสติ สติคือความรู้ตัวคอยมีสติคอยรู้ตัวไว้แล้วก็คอยจับอารมณ์จิตเราพอจับได้แล้วก็เอ้ยยี้ไม่ดีก็รีบปรับรีบปรับซะ เ, ะเหมือนกันคันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องวิบากกรรมของของเนี่ยของคนของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะว่าโอ้โหวิบากกรรมใดหนอทําให้เนี่ย ต้งมาเกิดเป็นแมวเป็นหมาซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่ทีเ่เรารู้ก็คืออย่างน้อยๆเราได้ชาตินี้ได้เกิดเป็นคนละเมื่อเราได้เกิดเป็นคนเนี่ยเอาเถะสิชาติหน้าไม่รู้นะจะได้เป็นไหมแล้วโอกาสบอกแล้วนะไม่รู้หนึ่งในเท่าไหร่นะไม่รู้โอกาสหนึ่งในเท่าไหร่นะถ้าถ้าเขาเอาสิ่งมีชีวิตหมายถึงว่าเฉพาะคนกับสัตว์นะ ประมาณการว้าถือว่ากี่ล้านล้านล้า น, านตัวก็แล้วแตนะ่เอาคนนับด้วยนะกี่ล้านล้านชีวิตของคนกับสัตว์และโอกาสเนี่ยที่เราจะเกิดเป็นคนซึ่งน้อยมากโอกาสเกิดเป็นคนนี่น้อยมากแตมายังไม่รู้ว่าจะเอาอัตราส่วนอะไรว่าว่าหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในร้อยหรือเปล่าหมายถึงว่า จิตวิญญาณเนี่ยร้อยดวงเนยคือสัตว์ก็ตายคนก็ตายเนี่ยในจิตวิญญาณร้อยดวงเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นคนได้กี่ดวงสมมุติ น, ะนีนี่แค่สมมติว่าสมมติว่าร้อยดวงเนี่ยอาตมายังกลัวว่ามันจะไม่ใช่ร้อยดวงสิมันจะเป็นพันดวงหรือเป็นหมื่นดวงหรือเปล่าเราจะเป็นหนึ่งในหมื่นหรือเปล่าที่มีโอกาสเกิดมาได้อะ่ะ อ่หรือจะเป็นหนึ่งในล้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเขาบอกว่าโอ้โหสัตว์ในโลกนี้มันเยอะมากนะสัตว์นี่รวมไปถึงนู่นนะนูน่กนกิ่งคือไส้เดือนร <c oughs> วมไปถึงนู่นเลยนะเพรพวกนี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าพวกนั้นเป็นสัตว์ชั้นต่ําลงไปละอ่าจีบิน ญ, ญาตมันยิ่งแย่ลงไปอีกสัตว์ชั้นต่ําำมายังเคยนึกเล่นๆ น, นะขออภัยนะนึกเล่นๆ พวกฤาษีจัดจัดเนี่ยไม่รู้จะไปเกิดเป็นไส้เดือนหรือเปล่าถ้า <c oughs> คือได้เกิดเนี่ยมีโอกาสได้เกิดเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดเป็นคนนะนะสมมตุติพวกฤาษีนี่สะกดตัวเองเก่งนะชอบสะกดจิตตัวเองเนี่ยเก่งคือสะกดจิตตัวเองยริงๆไม่อยากเกิดพวกฤาษีเนี่ยเพราะว่ามันสบายมันเสพจิตของตัวเองไม่อยากมีรูปร่างไม่อยากมีตัวตนหรอกแต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อคนยังมีดวงวิญญาณอยู่ต้องมีร่างคลองด้วยคือต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ย ม, มันต้องมันต้องมีร่างมาอยู่ด้วยต่อให้เป็นสัมภเวสีเขาเรียกว่าสัมภเวสีคือสัตว์หรือคนที่ตายแล้วเนี่ยวิญญาณมันก็ล่องลอยไปล่องลอยไปแต่ยิ่งมันล่องลอยไปเนี่ยสมมุติว่ามันพยายามไม่ไม่ยังไม่อยากเกิด แต่มันไม่อยากเกิดยังไงเนี่ยบอกแล้ว ม, มันอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้เพราะในที่สุดมันจะทุกข์มากเลยเพราะมีแต่สภาพของจิตวิญญาณแลวไม่มีร่างอะไรเข้าไปประกอบด้วยแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วจิตวิญญาณของคนที่ยังไม่สงบเนี่ยคือยังมีกิเลสอยู่มันก็มีโลภโกรหลงอยู่ทั้งนั้ น, น่ะเพราะโลภโกรหลงที่มีอยู่เนี่ยในที่สุดมันก็จะต้อง เกิดอาการแล้วมันก็เล่นงานทําให้ทุกข์ราะจะพ้นทุกข์ได้ต้องมีร่างที่จะมาบําบัดเขาเรียกว่ามาบําบัดทุกข์นั้นพวันพอไม่มีร่างเนี่ยมันก็อึดอัดอยู่อย่างนั้นอึดอัดขัดเคืองทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับสัตว์นรกอสัตว์นรกเนี่ยที่เขาบอกว่ามันยังไม่ได้มีร่างมาเกิดเป็นคนอะไรเงี้ยมันยังมาอยู่ในขุมนรกนั่นแนหะมันไม่มีร่างแต่มันเป็นสภาวะจิตเขาเปรียบ เป็นสภาวะว่าจิตที่มันทุกข์ทรมานมันอยากทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันทำไม่ได้เพราะจิตมันยังอยากอยู่ไงแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีมือเท้าไม่มีอะไรมาเสพได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ผ่อนผ่อนคลายหรือว่าบรรเทาตัวเองไม่ได้เพราะในที่สุดมันก็เลยโอ้โหเหมือนกับอะไรอ่ะอยากจะกินก็กินไม่ได้อยากจะนอนก็ไม่รู้จะนอนยังไงมันมีตัวไม่มีหัวไม่มีอะไรจะให้นอนยังไง มันก็ทรมานอยู่อย่างนั้นวัในใดที่สุดอยากจะพ้นทุกผู้นี้มันก็ต้องมาหาล่างแต่อย่างพวกฤาษีเนี่ยพยายามข่มไว้ขม่มไว้ขม่มไว้โอ้เสพสบายมีแต่จิตเนี่ยยิ่งไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องมีตัวตนไงคือไม่ต้องมีร่างกายนี้ได้เขายิ่งสบายแต่บอกแล้วว่าก็กั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นในที่สุดถ้าตายไปฤาษีนี่ตายไปเสร็จ จิตวิญญาณก็พยายามสะกดตัวเองไว้แต่สะกดยังไงเนี่ยกิเลส ม, มันยังมีอยู่<ม>เดี๋ยวในที่สุดเนี่ยวันไหนหมดแรงสะกดแล้วยิ่งไม่มีร่างเนี่ยยิ่งสะกดยากเพราะมันเหลือแต่จิตเพียงอย่างเดียววันพอมันสะกดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมาหาร่างอีกแล้วเพราะมีแต่ต้องมีร่างเท่า น, นั้น่ะถึงจะถึงบอกว่าจะหาอะไรที่เป็นสุขจริงๆได้เนี่ยมันก็ต้องหาอะไรมาเสพ วันในที่สุดก็ต้องเกิดกฎข่มว่ายังไงเนี่ยเป็นสัมภเวสีอยู่ในโลกนี้ยังไงเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องเกิดจริงๆแล้วก็เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นพวกลูซีเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเหมือนกับเอาตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละแต่แต่เปรียบเหมือนกับว่าเป็นดวงวิญญาณนะแต่ตอนมีร่างกายมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเลยพยายามไม่เอาเลยเลยตัดทิ้งหมดไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งไม่ต้องสนใจอะไใครเลยนะ ในโลกเนี้ฤาษีอยู่กับตัวเองคนเดียวเลยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ต้องกินไหมอ่ะอาไม่กินก็ตายดิยังไงก็ต้องหาอะไรกินมอ้งกินมาแล้วลิ้นจะด้านเหรอม่มีว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอะไรเลยเหรอเป็น ไ, ม, ไม่ได้ลิ้นไม่ด้านยังไงก็ต้องมีเอออย่างนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบก็ต้องมีอยู่แล้ว พอนถึงตายไปแล้วเนี่ยาสมมุติวันเนี่ยมีชีวิตอยู่เงี้ยพยายามกินน้อยใช้น้อยด้วยจนกระทั่งตายเพราะยังไงอายุขัยถึงที่สุดก็ต้องตายแล้วพอตายแล้วอ่ะไอความชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้อ่ะยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แม้จะกินน้อยยังไงก็ความชอบไม่ชอบพวกนี้ก็มีอยู่เพียงแต่ ว, ว่าตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่สะกดัดได้เก่งเงี้ยสกดเก่งไม่ต้องกินอะไรก็ได้ไอไม่ต้องกินอะไรเยอะก็ได้กินน้อยๆก็อยู่ได้ กินน้อยๆก็มีความสุขได้แต่ก็ยังติดว่าชอบไม่ชอบอยู่เพราะในที่สุดพอตายไปเหลือแต่จิตวิญญาณก็ทนไปเถอะทนไปจนถึงที่สุดอะในที่สุดทนไม่ได้ก็ต้องมาหาล่างอีกเมื่อกี้เนี่ยที่อาตมาพยายามจะพูดก็คือว่าอาตมานึกเอาเองนะเดาเอาเอง มันเนี่ยไม่รู้พวกไสเดือนส่วนใหญ่จะเป็นพวกฤาษีหรือเปล่าไม่รู้บำบำมา อ, อยู่ในดินแล้วก็โอ้สบายไม่ต้องอะไรอะคือคือนึกอย่างนั้นอ่ะนะเหมือนกับไม่อยากไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเจอเจอไม่ต้องอะไรเลยเป็นไสเดือนจึงขนาดว่ามีสองเพจอยู่ในไสเดือนเนี่ยก็คือมแม่แต่จะ จะอยู่จะแพร่พันธุ์จะมีอะไรก็พูดง่ายไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครยังได้เลยก็อยู่กับตัวเองเท่านั้นนะเพียงอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> เออจะออกลูกออกหลานจะสืบพันธุ์ต่อก็ไม่ต้องไม่ต้องมีใครเลยตัวเองทําเองได้เสร็จหมดคิดดูเอาเลยเนี่ยอามาก็เลยชอบนึกแหมพวกนี้สงสัยสงสัย <c oughs> อาจจะเป็นพวกลือสีก็ได้ เพราะอันเนี้ยที่พูดอันนี้ให้ให้เราเข้าใจเรื่องวิบากแต่ตอนนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้โอ้โหสวยนะเป็นเบรนเป็นกรรมนะเนี่ย <c oughs> ไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นเป็นสัตว์อย่างนี้สัตว์อะไรก็แล้วแต่ยังไงก็สวยทั้งนั้นแหละเพราะเกิดเป็นคนได้เนี่ยผู้เจ้าถึงถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วดีที่สุดประเสริฐที่สุดแต่ตอนนี้แม้เกิดเป็นคนเนี่ย ดูสิไข่บัด น, นกมาระบาดเสร็จไก่เป็ดนกอะไรต่างทั้งคนนะตายไปบ้างเอาส่วนสัตว์ปีกทั้งหลายนี่หัวาตายทั้งบอกกี่ไม่รู้กี่ล้านศพเข้าไปแล้วแล้วไอ้จิตวิญญาณพวกนั้นมันไปไหนอ่ะ <c oughs> คิดดูเอาแล้วกันมันก็ต้องไปหาที่เกิดเหมือนกันแนใช่ไหม แล้วถ้ามันเกิดอา้อาวมันเกิดโชคดีได้มาเกิดเป็นคนนะ่ะแต่เอาจีวิญญาณมันยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับสัตว์อยู่อะใช่ไหมชาติที่แล้วมันยังเป็นสัตว์อยู่เลยเอาแล้ะแต่ไม่รู้อะมันทําดีอะไรมามันได้เกิดเป็นคนนะ่ะแต่อิจีวิญญาณยังเป็นสัตว์อยู่นะ <c oughs> อา้าวแต่โชคดีบอกแล้วเอาได้ล่างมาเป็นคน ไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความดีอีกอ้าวคราวนี้พอไม่ศึกษายิ่งโห و, กิดเป็นสัตว์มาใช่ไม้มแล้วมาได้ร่างคนโห و, เต็มที่เลยสิคราวนี้ทำอะไรที่ชอบชอบอะไรที่ไม่ชอบไม่เอายิ่งทำเต็มที่เลยอะอะไรจะไปยัย่งมันอยู่อะ แล้วไม่รู้เรื่องธรรมะไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ฟังธรรมไม่มีศีลไม่มีวินัยไม่มีอะไรเลยวันพวกเนี้ยสัดเต็มที่เลยจะกินสูบดื่มเสพจะทำอะไรมันเอาเต็มที่เลยเพราะพูดง่ายๆว่าแในไหนก็ได้เกิดมามีร่างมีอะไรที่ทำอะไรต่ออะไรได้ได้มากมายกายกองอย่างนี้ไม่รอช้าเลยละ มันซัดเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะยิ่งเลวค<ม>นนี้ก็จะยิ่งเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยเยแล้วในที่สุดพวกเนี้ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนเสร็จใช่ไหมอ่าชาติก่อนๆ น, นู่นนะโว้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยต้องไกลไปเป็นประโยชน์ให้คนที่ยังกิน<ม>สัตว์ อยู่เขาฆ่าเขาเอาไปกินอ๋อนั่นก็เป็นบุญคุณแล้วนะมันก็เป็นประโยชน์แล้วนะให้กับชีวิตอื่นให้กับคนอื่นเขาอะแม้ว่ามันไม่อยากเลยนะมันไม่อยากต้องโดนฆ่าต้องโดนกินแต่มันก็โดนฆ่าแล้วก็โดนกินจริงๆเพราะฉนั้นมันก็เป็นบุญเนี่ยสัตว์ต่างเนี่ยที่บางทีมันมันได้บุญบ้างแล้วมันก็ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนบ้างก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละที่มันได้บุญยกเว้นสัตว์ที่ คนเอามาใช้ประโยชน์อื่นอีกใช่ไหมอเอาอะไรอ่ะเอามาใช้แรงงานบ้างเอามา้าเอาสุนัขมาเฝ้าบ้านเอาวัวควายมาไถนาอะไรอย่างงี้ไออย่างนั้นน่ะเผลอๆน่ะเอามาใช้แรงงานเสร็จแล้วยังเอามาฆ่ามาขายเอาเนื้ออะไรมากินอีกด้วยซ้ำไปโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ถือว่ามันมีบุญได้ยังไงว่า <c oughs> เนี่ยละบุญที่บรรษาสมมาซึ่งมันมากพอเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสจะมาเกิดเป็นคนเหมือนกันส่วนคนคานี้ได้ร่างแล้วบอกว่าได้ร่างเป็นคนแต่ถ้าจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้พัฒนาที่จะมีคุณภาพพอนะที่จะมีจิตใจสูงอะ่ะเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษยะนะคือคนที่มีจิตใจประเสริฐจิตใจดีจิตใจสูงขึ้นมา ถ้าไม่ม ama, ีจิตใจดีขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นสัตว์ใหม่เพราะอะไรเพราะร่างเนี่ยเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณเท่านั้นเองร่างร่างคนเราหรือว่าร่างของสัตว์ก็ตามเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือหรือเป็นเครื่องที่อยู่ของจิตวิญญาณเท่านั้นนะซึ่งซึ่งไอ้เครื่องมือเนี่ยหรือว่าร่างนี่มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวชาติหนึ่งก็เปลี่ยนไปชาติหนึ่งก็เปลี่ยนไป อะไรที่เป็นตัวบงการน่ะที่ว่าจะได้ร่างเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์โลกอื่นๆจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวกําหนดตอนนี้คนที่ไปสั่งสมบีบากต่างๆทำเลวทำร้ายนะโกหกตอแหลคดโกงฆนะ่าเบียดเบียนชีวิตอื่นเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็สั่งสมจิตวิญญาณที่เลวร้ายที่ไม่ดี สั่งสมไปสั่งสมไปจนกระทั่งมากเข้ามากเข้ามันมากพอเมื่อไหร่ใช่ไหมมากพอเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่ในระดับที่เรียกว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้ร่างเป็นคนแล้วคราวนี้พอคนนั้นนะตายลงแต่จิตวิ ญ, ญญาณเนี่ยมันอยู่ในในอะไรเนี่ยลักษณะของจิตวิ ญ, ญญาณที่ขนาดเนี้ได้แต่ร่างสาัตว์เท่านั้นนะได้ร่างคนไม่ได้แล้ว เพราะนั้นคนที่พอตายลงไปจิตวิญญาณที่มีคุณภาพแค่ต้องเป็นสัตว์เท่านั้น่ะเพราะว่าไปทำบาปกรรมมาไว้เยอะเนี่ความดีอาจจะมีทำบ้างแต่มันต่ำเกินไปอ่ะหากรอบกลบกันแล้วเร็วมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติขนาดนี้ไม่ใช่คุณสมบัติอนะโทษสมบัติขนาดนี้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์อีกสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ลักษณะของจิตวิญญาณว่า ว่าอยู่ในเกรดไหนขอใช้ขอใช้ภาษาอังกฤษนะฮะไม่รู้จะใช้ภาษาไทยอะไรมันอยู่ในระดับไหนนั่นแหละมันก็ไปเกิดเป็นระดับนั้นเพราะฉะนจงภูมิใจนะเนี่ยได้เกิดเป็นคนเพียงแค่คิดแค่นี้นะโอ้โหเกิดเป็นคนมันยากขนานดะนั้นเลยถ้าเราแค่เข้าใจคำว่ายากจริงๆว่าโอ้โหเกิดเป็นคนที่มันยากจริงๆ น, นเนี่ยเพราะฉะนั้น แค่คิดแค่นี้ก็อยากจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้ประโยชน์สูงที่สุดยังไงมันจะเริ่มคิดอย่างนี้แนละ้วเออเพราะวั น, ว, นวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเราจะเออจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาจิตวิญญาณเราเนี่ยให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นยังไงเนี่ยถ้าตายในชาตินี้เนี่ยยังไม่หมดกิเลส น, นะตายไปในชาตินี้ก็มั่นใจได้เลยว่า เออคุณสมบัติของเราเนี่ยน่าจะพอที่จะตายแล้วก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราพยายามพยายามคนนี้แต่ละวันที่ผ่านไปตั้งแต่ตื่นนอนตอนเชา้าจะพูดคุยกับใครน่าจะทำงานอะไรมันเริ่มคิดแล้วเออจะทำยังไงมีคนมาแย่มายั่วมากวนเรา อารมณ์ขึ้นอารมณ์โกรธขึ้นมาเงี้ยเฮ้ยไปโกรธเขาไปด่าเขาไปตะลาตาตีอะไรกับเขาเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวซ ว, วยนะเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์นะชาดนาคือถ้ามันระวังแล้วมันมีเครื่องเตือนสติอย่างเนี้มันก็ทําให้เราไหนไหมะลดความโกรธลดความที่จะไปเบียดเบียนจะไปชิงชังจะไปทำร้ายอะไรใครเขามันก็ลดลงหรือบางทีขี้เหนียวนักไม่ค่อยอยากจะ เอาออกเลยกักตุนระวังนะตอนนี้น้ำน้ำตาลขาดตลาดนะระวังกักตุนไม่รู้จักที่จะแบ่งปันไม่รู้จักจะให้หรือแม้แต่เป็นพ่อค้าเงี้ยกักเอาไว้แล้วโกงราคาหรือว่าบางทีขนไปขายต่างประเทศไอคนในประเทศก็ขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าีิโลบเนี่ยอยากได้เงินทองอะไรเยอะ เนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยเรารู้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้โอ้โหเดี๋ยวซวยนะไปทำจิตวิญญาณให้มันเน่าให้มันเสียนะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาป พ, พวกนีเ้เดี๋ยวก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกละหมดสิทธิ์อีกพรามันจะตรงข้ามเลยคนที่ได้ร่างเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วทำเร็วทำเร็วทำเร็ ว, รวใช่ไหมก็จะกลับไปสู่ความเป็นสัตว์จิตวิญญาณเนี่ยก็จะ ทำให้เป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนมีชีวิตยอยู่วันพอตายไปก็เดี๋ยวจะไปได้ร่างสัตว์มาใหม่อีกส่วนสัตว์คราวนี้ปาบอกว่าโอ้โหมันโดนเอามาใช้ประโยชน์มันโดนเอามากินเนื้อกินอะไรกระดูกกี่อะไรเอามันก็ได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวพอมันตายไปโอกาสมัน ไ, มได้เกิดเป็นคนมันมีมากกว่าล่ะคราวนี้ เพียงแค่เราเข้าใจเรื่องนี้นี่ยังไม่ไปพูดถึงความาลากักราคะความโรคหรือว่าเรื่องของโทสะอะไรพวกนี้นะยังไม่ได้ไปพูดยาวไกลขนาดนั้นแต่พูดโครงสร้างง่ายๆขึ้นมาเนี่ยเพราะเพียงแค่นี้เราพยายามคิดจะทำให้ชีวิตแต่ละวันเขาเรียกว่าไม่ศูนย์เปล่าพอพอมันเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ค่อยดีเลยไม่เข้า ไม่ค่อยเข้าท่าเลยยิ่งเราถือศีลเราปฏิบัติทำมาเนี่ยมันไม่โกหกตัวเองหรอกมันรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องวิบากกรรมพวกนี้มันจะให้เราทำในสิ่งที่ควรทำเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยะจะได้ทำอะไรดีๆยิ่งขึ้นไปอีก อะไรที่เป็นควรทําเนี่ยมันก็จะพยายามเฮ้ยอย่าไปทำอย่าไปทำมันไม่ดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เพราะจยิงคําว่าสัตว์ดิรฉานเนี่ยเราใช้สํานวนว่าสัตว์ดิรฉานนะจริงๆอย่า ว, ว่าไปนะถ้าแปลเป็นไทยนะแปลว่าบืดมัวโง่เขลาคําว่าสัตว์ดิรฉาน ไม่ใช่แ บ, บเปิดพราะจะ น, านันทุกกมแปบลบว่าอะไรนะสัตว์แนวโดยขวาง <c oughs> แหมแ ป, แปลกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัชฉานเนี่ยแปบลบว่ามืดมัวโง่เขา อ, อะไรน ะ, ะ ม, น ม, นมันไม่ใช่แค่ขวางโลกเ ข, เขาจะถือว่าสัตว์โดยขวาง่งคือคือตัวไม่ตั้งไงถ้าเป็นมนุษย์เนี่ย จะยืนใช่ั้มตัวเขาเรียกกันแนวตั้งส่วนสัตว์อื่นๆเนี่ยมันจะอะไรอะ่ะแนวขวางอะ่ะไม่ใช่แนวตั้งเขาเลยบอกว่าสัตว์โดยขวางแหมฟังล้ำก็แปลกแต่อันนั้นเป็นไปโดยสรีระไม่เกี่ยวหรอกแหมบางทีเกิดมาเป็นคนมีวิบากพอสมควรแต่ว่ายังมีโอกาสได้เกิดเป็นคนแต่พิกวพิการบ้างอย่างเงี้ยบางทีก็โถเอ้ย เดินโดยตั้งได้ที่ไหนบางทีต้องคานเอาก็ยังมีเลยอ้าวคาแนวก็ยังมีเลยอย่างงั้นจะไปเรียกเขาเป็นดีรัชานได้ไงไม่ได้เพาะไอ้ น, นั้นมันเป็นแค่เปลือกข้างนอกเท่นั้นเองซึ่งเขาเรียกสัตว์ทั่วๆไปแต่โดยความหมายจริงๆแล้วของดีรัชานเนี่ยหมายถึงเนี่ยแหละพวกอวิชชาพวกมืดมัวโ ง, ง่เข่าโง่เข่าจากธรรมะ โง่เขาจากธรรมะนี่แหละนี่แหละคือดิลชานโดยแท้ๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ณนะส่วนส่วนคนเราเนี่ยเขาจึงไม่เรียกป่าสัตว์ดิลชานแต่เขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยก็ <c oughs> ไม่เรียกสัตว์ดิลชานเพราจะต่างกันจริงๆมันยังมีรายละเอยียดอีกเยอะเรื่องของวิบากกรรมเนี่ย ทุกวันเนี่ยบางทีดูนะถ้าถ้าใครเคยเอาพวกนี้ไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้เตือนสติหรือว่าไปใช้พิจารณาตัวเองเนี่ยเวลาเราสวงเงี้ยไปโดนอะไรเล่นงานเข้าจะเป็นสัตว์เล็กสักน้อยเล่นงานเราก็ตามหรือว่าสวยไปโดนอุบัติเหตุอะไรเข้าก็ตามพวกสายวิบากกรรมเนี่ยเขาจะนึกขึ้นมาโอ้โ oh ห oh, เราคงไปทาไม่นันไว้คงไปทำไม่นี่นไว้ เราก็เลยต้องมาโดนเบียดเบียนบ้างมันก็จะคลายจิตไปได้แทนที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่นึกอะไรนะเวลามาเจออะไรอุบัติเหตุเจออะไรซวยๆเนี่ยบางทีนึกโถ ย, ย น, น้นึกโถ ย, ย น, นี่น่าจะไปเล่นงานเขาโกรธเกลียดชังเขาอะไรอย่างนั้นแต่พอศึกษาเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเนี่ยไม่ไปเที่ยวโทษใครเลยแม้อันนี้พระเจ้าท่านกระตัดไว้เลย แม้แต่คนเนี่ยโดนยิงตายเงี้ยพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นะไม่ที่เขาตายเนี่ยไม่ใช่เพราะปืนกระ บ, บอกนั้นไม่ใช่เพราะกระสุนเม็ดนั้นนะหรือไม่ใช่เพราะคนนั้นมายิงนะแต่ที่เขาตายเนี่ยเพราะวิบากกรรมของเขาพระเจ้าท่านจะตัดอย่างนี้เลยบอกที่ตายเนี่ยตายเพราะวิบากกรรมเขาเพราะเขาไปทําวิบากกรรมอย่างนั้นอย่างนี้งีไว้ยิง่งพู้พระเจ้าเนี่ยท่านจะรู้ไงรู้อดีตว่า ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มานะท่านก็จะบอกเลยเขานี้นี่แหละที่ตายเนี่ยเพราะคุณไปทำอย่างนี้อย่างนี้ไว้คุณเลยต้องมาโดนเขาค่าหรือคุณเลยต้องตายด้วยกระสุนนัดนี้เพราะฉะนั้นความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะกระสุนไม่ใช่เพราะปืนไม่ใช่เพราะคนนั้นมายิงแต่ตายเพราะคุณไปทำวิบากกรรมนั้นไว้ต่างหากล่ะคือตัวต้นเหตุที่สาคัญที่ทาให้จะต้องมาโดนอย่างนี้ เนี่ยแม้เราเข้าใจแค่ตรงนี้ว่าหลังคนดา่าเราโอ้โหทำไมดา่าเราหนังอย่างนี้วันหลังกูจะยิ้มได้เลยเขาด่าเงี้ย อ, อ่อเออเพราะวิบากอะไรของเรา <c oughs> ถ้าเราถึงได้เนี่ยจะต้องมาโดนด่าอย่างนี้จากคนคนนี้เออมันนึกอย่างนี้ได้มันก็จะวางใจไปได้ขนาดนึงไม่มาทุกข์ไม่มาโกรธเคืองคนนั้นหรอกไม่หรอกุณไม่มาโกรธเคืองเขาหรอก แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะคุณยังจะโกรธเขาอยู่ว่าไอ้นี่มาดา่าเราได้ไงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่รู้จักฉันอดีตแม่ค้าปากตลาด <c oughs> ปากคลองตลาดนะแม่ไม่รู้จักซะแล้วเอาเหอะเดี๋ยวเราก็ด่าตอบบ้างอะไรมัง่งหรือไม่หรือไม่ด่าเขาก็แต่จิตมันก็คิดนั่นะอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาแล้วนี่เนี่ยเนี่ ย, เ, ยเริ่มไปสร้างวิบากแล้วนะวิบากของตัวเองยังไม่รู้ตัวอีกแล้วเห็นไหม ฉันจึงบอกว่าต้องเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจได้แล้วเนี่ยโอ้โหคุณจะอาภัยให้คนง่ายมากเลยเพรา ะ, ะ น, นข้อของเรื่องวิบากกรรมเนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งที่พระเจ้าเนี่ยท่านจะเอามาใช้สอนคนแล้วก็เพื่อที่จะเนี่ยปลดปล่อยไอ้กามก็ตามปลดปล่อยโทสะกดปล่อยโลภะอะไรต่างๆของคนเราเนี่ยลงไปได้ถ้าพยายามศึกษาแล้วก็พยายามเข้าใจ วิบากกรรมต่างๆแล้วจะทำให้เราคลายจิตคลายใจแล้วก็ไม่ไปถือสาแล้วก็ให้อภัยให้อโหสิกรรมเขาได้ง่ายขึ้นแล้วจิตเราก็จะสบายแล้วคนที่ยิ่งจิตสบายเงี้ยแล้วก็ได้เพิ่มกุศลละจิตกุศลละธรรมให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นแล้วแปลกนะวิบากต่างๆก็ลดลงไงไอ้ดูไอ้ดีจะมาเล่นงานเราเนี่ย เราก็มีคราวนี้มีวิบากบุญเนี่ยที่จะมาช่วยบรรเทามาช่วยเหลือเราทำให้แทนแทนที่จะโดนหนักหนักก็เบาลงไปโอ้ช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมที่พยายามฝึกให้มากเถอะเรื่องของการทำทานทำทานนี่ก็ไปศึกษานะทั้งวัตถุทานทั้งอภัยทานแล้วก็ทั้งธรรมทาน พยายามทำทานพวกนี้ให้มากๆนะแล้วก็จิตวิญญาณเราเนี่ยราชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยก็จะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเราจะช่วยให้คนนั้นเนี่ยพ้นทุกพ้นเคราะหพ้นโศกอะไรเนี่ยได้มากๆหลายคนที่บางทีรู้สึกว่าชาตินีทำไมมันซวยนักซวยหนาซวยซ้ำซ้อนพวกซวยต่างๆเนี่ยซวยพิเศษเขาเรียกว่าพวกซวยต่างๆเราเนี่ยนะ อยากจะคลายอยากจะหายได้คุณอย่าไปหวังจากอย่างอื่นคุณหวังจากบุญกุศลนี่แหละทำไปเถอะกลมหน้ากลมตาทำไปให้มากๆไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเขาจะยังไงอะไรมากนั่งหรอกแต่พยายามคิดว่าเออเราจะทำดีนะ่าจะให้ทานกับคนอื่นเนี่ยได้มากแค่ไหนทำไปเลยทำให้เต็มที่แล้วบุญกุศลเหล่านี้คุณไม่ต้องหวังผลตอบแทนด้วยมันจะกลับมาสนองเองแล้วก็จะทาให้ชีวิตคนนั้นเนี่ย นะเริ่มเจริญแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะวันนี้คงฝากเรื่องวิบากกรรมไว้เท่านี้นะ